คำว่าได้ได้อานิสง์เลยได้ร้อยเท่าเนี่ยมันร้อยชาตินั่นเองครับร้อยชาติหมายความว่าเราจะไปมีอาหารกินอย่างนั้นเนี่ยถ้าถ้านับโดยผลของมันแล้วคือร้อยครั้งอย่างนี้ใช่ไหมได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งว่าย่างไงอ๋อไม่ไม่ใช่นะครับท่านบอกว่าเสเวยศึกไปในร้อยอัตภาพนะครับ ทำให้ได้รับความสุขในร้อยอัตภาพไม่ใช่ว่าให้อาหารยังไงแล้วจะไปกินอาหารแบบนั้นอีกนะไม่ใช่นะครับคือคือไม่ใช่อย่างนั้นครับคือว่าเออคือเพราะให้เขาได้อิ่มหนึ่งอิ่มนะครับเราจะได้มีอาหารกินเนี่ยร้ <100 S 2> <100 S 1> อยอิ่มนะฮะแต่ว่าในเนี่ยภายในร้อยอัตภาพอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแต่ก็ผมเข้าใจผมว่าไม่น่าเป็นอย่างนั้นอเพราะว่าตรงนี้ท่านบอกว่าสวรสุขนะครับไม่ได้บอกว่าสวอรอิ่มนี่นะครับ ท่านบอกว่าการได้กิ น, นอิ่ม<น>เป็นสุข <c ười> นะครับก <c oughs> <c oughs> ารได้กินอิ่มเป็นสุขหมายคือถ้าอิ่มสุกร้อยครั้งอะนะร้อยครั้งภายในร้อยอัตภาพผมว่าไม่น่าใช่แบบนั้นนะครับคือหมายคือว่าผลอันนี้ก็สามารถให้ผลอยู่เป็นสุขเนี่ยทั้งร้อยอัตภาพเลยนะครับคือบุญนี้อย่างเดียวนะบุญนี้อย่างเดียวให้มีความสุขภายในร้อยชาติเลยแต่ว่าอย่าลืมอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ย บาปมันก็มาเบียดนะครับเนื่องจากว่าเจตนาอันนี้มันไม่ได้มีแค่เจตนาอันนี้นะครับเพราะฟั้นก็ต้องไปศึกษาว่าเรื่องของกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ากรรมบางอย่างเป็นชนะกรรมนะครับกรรมบางอย่างเนี่ยเป็นอุปธรรมภกกรรมกรรมบางอย่างเป็นอุปปีละกกรรมกรรมบางอย่างเป็นอุปคาตกรรมนะครับมันก็เบียดกันไปตัดกันไปตัดกันมาเนี่ยนะครับถ้าพูดง่ายๆมันก็เหมือนกับสมมุติว่าทํารายได้เนี่ยนะสมมุติถ้าทํางานวันละ ได้รายได้วันเดือนละหมื่นนี่ไงใช่ไหมครับถ้าปีหนึ่งก็ต้องมีรายได้เป็นแสนถ้า10ปีก็ต้องรายได้เป็นล้านนะครับถ้า20ปีก็เป็นหลายๆล้านเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าหลายๆ10ปีไปเนี่ยก็ต้องร่ํารวยใช่ไหมครับแต่ถามว่ามันร่ํารวยอย่างนั้นไม่ล่ะไม่เป็นเพราะรายจ่ายอย่างอื่นเนี่ยมันเข้ามาในขณะเดียวกันดีไม่ดีหนี้สินท่วมหัวว่างนั้นแหละทำไมครับเนื่องจากรายจ่ายนะครับฉั้นใดก็ดีที่ที่บุญที่ทําไว้แล้วทําไมจึงไม่มีผลอย่างที่กล่าวสักทีหนึ่งล่ะ ก็คุณไม่ได้มีแต่บุญนี่คุณมีบาปมากมายมหาศาลนะครับเมื่อบาปบาปมันเขาก็ซื่อสัตย์นะครับบุญก็ซื่อสัตย์บาปก็ซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นอัตภาพของมนุษย์เนี่ยนะสเสวยทั้งสุขและทุกเพราะฉะนั้นมนุษย์นี้ทั้งกรรมดีก็ให้ผลกรรมชั่วก็สามารถมาให้ผลได้ในขณะเดียวกันทางตาเนี่ยวิบากดีดีแต่ทางหูไม่ดีเลยนะครับบางทีตาหูวิบากดีดีจมูกวิบากไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนื่องจากบา ป, ปรกรรมนะครับทีนี้ถ้าหากว่าสามารถทําแต่บุญอย่างเดียวเลยไม่มีบาปมาแทรกเลยนะครับ mm hmm. ก็เป็นได้นะครับที่จะมีความสุขอย่างตลอดไป mm hmm. ยกตัวอย่างเช่นผู้ที่บุญมันให้ผ ล, ลนะครับไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะครับถ้าบุญเขาทําไว้มากนะเขาจะปาราลบให้จิตเป็นกุศลเนี่ยนะครับเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในสวรรค์อย่างนั้นเรื่อยไปนะครับถ้ามีบุญจริงๆนะครับ แต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้ทําบุญไว้ขนาดนั้นพอที่จะสุขได้ยาวขนาดนั้นนะครับเพราะฉนนั้นบาปก็เยอะแย่งไปเราก็มาถามดูว่าชีวิตวันๆหนึ่งเนี่ยนะครับทั้งวันเนี่ยกุศลจิตเกิดมากหรืออกุศลจิตเกิดมากเมื่ออกุศลเนี่ยเกิดมากอากุศลนั้นก็ไปแย่งไปทําลายกุศลอันนั้นเหมือนกันนะครับไปเบียดเบียนไปตัดรอนนะครับคําว่าไปเบียดเบียนหรือตัดรอนในความในความคําพูดของอาจารย์เนี่ยหมายถึง เออมันก็จะกลายเป็นโหสิยไปหรือว่ามันก็ยังคงติดตามไม่ไม่เปิดโอกาสให้ให้ผลนะครับคือคําว่าเบียดเบียนคื อ, อ, อไม่เปิดโอกาสให้ให้ผลแต่ว่ามันได้หายไปไหนคงติดตามก็ถ้าได้ปัจจัยเขาจะให้แต่ถ้าไม่ได้ปัจจัยเขาก็ไม่ให้ เ, เหมือนกับใครเนี่ยนะครับมาจะให้ของเราเนี่ยนะครับอ่านะเพื่อนคนคนเขาจะเอาอาหารมาให้เราเนี่ยอีกคนหนึ่งไป ไปเบียดไม่ให้คนนั้นมีโอกาสให้ให้เราแบบนี้นะครับนั้นก็จะมีกรรมที่เบียดน ะ, ะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็แสดงว่ากรรมบางอย่างก็มาทําหน้าที่อุป ป, ปีและกะกรรมนะครับกรรมบางอย่างก็มาเป็นอุปคาตกรรมกรรมบางอย่างก็มาเป็นอุปธรรมทักกรรมกรรมบางอย่างก็มาเป็นชนะ ก, ะกรรมนะครับดัง น, นั้นกรรมก็มีหลายประเภทในขณะเดียวกันนะครับอืมอาจารย์ท่านนี้เนี่ยท่านจะอุ ป, ปมาง่ายๆงีงง้ว่า ถ้ายมให้อได้ให้เขาได้มีความสุขครั้งหนึ่งคือได้อิ่มครั้งหนึ่งเนี่ยนะยมก็จะได้อิ่มร้อยครั้งนะ่ะยมต้องคิดดูสิเอาข้าวเม็ดเดียวไปปลูกเนี่ยยอมจะได้อ่าข้าวมากี่เม็ดคือหนึ่งรวงเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยเม็ดทีเดียวนะ่ะเลยจำล่งนี้ครับก็อาจจะเป็น คนเออขอไปครับเป็นอุบายของท่านนะะอแต่ก็เท่าที่พบแล้วก็พระองค์ก็เท่าที่สังเกตจากพยัญชนะแล้วไม่ชวนให้คิดแบบนั้นเลยเออนะมันในแง่เดียวนะครคือลืมเรื่องกรรมอื่นๆไปครับทีนี้แล้วก็คําว่าผลแห่งทานไม่ใช่ว่ามันให้ทําให้ทานแล้วนะมันให้ทานด้วยข้าวก็จะให้ผลเป็นข้าวไม่ใช่นะครับก็ให้ผลเป็นเนี่ยแหละเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจักรคูวิญญาณโสตะวิญญาณเป็นต้นนะครับ มันไม่ได้ให้ผลมา อ, อทําข้าวก็จะต้องได้ข้าวทําน้ําก็ต้องได้น้ําเป็นต้นไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็นะก็อะครับเออขอกราถามนิดนึ่ะไม่ทราบว่าไอ้อผลบุญที่เราทําทําไปแล้วเนี่ยไอ้อผลที่เขาให้ตอบกลับมาจากที่อดีตเราเคยทำํำไปเนี่ยมันจะหมดไหมมันหมดเหมือนกับที่เราไปแค่ครางตังมาจาก เกะที่เราเก็บไว้ไหมคือถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปนะครับเฉพาะเจตนาดวงที่2ถึงดวงที่6เนี่ยนะครับก็แต่ถ้าเขาให้ผลแล้วก็หมดอ่ะแต่ถ้าไม่ให้ผลก็ยังก็อยู่อย่างนั้นนะครับมีโอกาสเมื่อไหร่เขาก็จะให้ผลถ้าหากว่าเราพูดในลักษณะแบบว่าเหมือนกับว่ากรรมมันนั้นเนี่ยนะครับมันมีอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าหากว่ามองเป็นเหมือนกับเกะเหมือนกับครังอ่ะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับ เจตนาที่เกิดขึ้นมาด้วยปัจจัยใช่ไหมครับเช่นเจตนาปรารบที่จะให้เจตนาเหล่านั้นเนี่ยนะครับเมื่อหมดเหตุปัจจัยแห่งการให้เจตนาเหล่านั้นก็หมดไปหมดไปนี่หมดเลยนะครับมองไม่เห็นนะว่ามันอยู่ตรงไหน แ, แต่นะครับแต่ถ้าได้ปัจจัยพร้อมไอ้เจตนาอ น, นั้นน่ะสามารถเป็นนานาคคณิก ก, กรรมปัจจัยหรือเป็นปกระกตูปนิสยปัจจัยให้วิบากเกิดขึ้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเอา้าของชาติที่แล้วมันไปอยู่ตรงไหนอ่ะเจตนาที่ทําแล้ว พันธมันไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยนะครับพันธได้ปัจจัยแล้วก็จะให้ผลทีนี้พระผู้มีพระภาคก็ทรงจําแนกให้เห็นว่าเออเจตนาบางอย่างนะให้ผลเป็นทิฏฐธรรมนะครับให้ผลในโลกนี้นะเจตนาบางอย่างให้ผลในโลกหน้านะเจตนาบางอย่างก็ให้ผลในภพที่สองเป็นเป็นต้นไปนะถ้าเขาได้ปัจจัยนะเขาต้องได้ปัจจัยเพราะว่ายกตัวอย่างนะกรรมจะให้ผลเป็นจักรคูวิญ ญ, ญาณเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหเอาจักรคูวิญ ญ, ญาณมายัดเยียดให้เลยนะครับไม่ใช่ คุณจะได้จากคุูวิญญาณเนี่ยนะครับต่อเมื่อคุณมีตานะอย่างหนึ่งสองสีอ น, นั้นมีนะสามมีแสงสว่างคุณต้องมนสิการนะกกรรมจึงจะให้ผลต้องต้องอาศัยปัจจัยเหล่านี้นะครับกรรมจึงจะให้ผลได้ในทางตานะครับทางหูก็เหมือนกันนะครับก็ต้องอาศัยปัจจัยนะครับกรรมจึงมาให้ผลทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือว่าทางใจนะครับ แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุณเกิดมาเป็นคนรูปงามแต่ถ้าคุณไม่อาหารก็ไม่กินเลยประโยชนข้าววิบัติกรรมที่ให้ผลเป็นผิวพรรณงามเป็นต้นมันก็ไม่ให้ผลนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเป็นไปตามปัจจัยะอัน ส, สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับดํารงอยู่ด้วยปัจจัยนะครับสังขารทั้งหลายดํารงอยู่ด้วยปัจจัยเพราะฉะนั้นถึงสิ่งที่เป็นผลของบุญเหล่านี้มันดํารงอยู่ด้วยปัจจัยนี่ยนะครับมันจึงไม่เที่ยงนะครับ หมดปัจจัยสิ่งเหล่านั้นก็แปรสภาพไปนะครับแปรสภาพไปเพราะดำรงอยู่ด้วยปัจจัยเพราะนั้นสิ่งที่ดำรงปัจจัยเนี่ยไม่เที่ยงมีแล้วหามีไม่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระองค์ตรัสว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเพราะเกิดขึ้นนะครับด้วยอำนาจปัจจัยทั้าหมดปัจจัยสิ่งเหล่านั้นก็ก็จักหมดไปนะครับเพราะนั้นการที่เข้าไปประพฤติปฏิบัติตามอริยมรสมีองแปดนะครับเพื่อเข้าถึงธรรมะที่สงบระงับสังขาร น, นี้ได้อันนั้นก็จะเป็นความสุขอย่างยิ่งนะครับ ขอาการถามตัวนี้นิดหนึงครับคือว่าอย่างเช่นนะถ้าหากว่าเราทําบุญไว้เราจะได้ผลของกรรมกับการอุทิศผลบุญไปให้กับพวกเบตาชนนี้ต่างกันไหมจะได้ผลต่างกันไหมเพราะว่าอย่างที่ว่าในที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเวลาเราไถ่าทานไปนเนี่ยอาจจะเป็นข้าวแต่ว่าเวลาเราได้ผลของกรรมเราอาจจะได้นิสงฆ์ห้าอย่างเลยไหมอายุวันณนะสุขะพร ะ, ะปฏิพัน์ ครับผมทีนี้ได้ได้ได้ยินว่าเมื่อเมื่อเปดเนี่ยเราทิ้ให้เปดไปแล้วเนี่ยตัวเชถวายอาหารส่งแล้วก็อาาุทิศ ส, ส่งกุศลให้กับเปรตเนี่ยเปรตเขาจะได้อาหารแต่เสื้อผ้าไม่ได้เดีย๋ยเนี้ยเป็นตน้นนี่มันแสดงถึงความแตกต่างกันหรือเปล่าคือบางส่วนนะครับถ้าหากว่าบุญพร้อมเนี่ยเปลี่ยนอัตภาพเลยนะเปลี่ยนอัตภาพจากเปรตไปเลยนะครับถ้าบุญที่เขาอนุมโมทนามีกําลังมากนะครับ เขาเปลี่ยนอัตภาพจากเปรตทันทีเลยนะครับแต่บางส่วนก็จะได้รับเฉพาะส่วนอันนี้ก็ส่วนคงเป็นในชั้นรายละเอียดปลีกย่อยของของการของการให้ผลนะครับของกรรมทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งวิจิตมากนะครับถามว่าทำไมความวิจิตเหล่านี้จึงมีมากมายเนื่องจากเจตนาที่สัตย์ทำในไว้เนี่ยมากมายนะครับเจตนากรรมเนี่ยทํำไว้มากมายนะคอันวิบากเวลาให้ผลก็วิจิตพิสดารแตกต่างกัน ยกตัวอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับขนาดเจตนากรรมเนี่ยนะมาให้ผลเป็นมนุษย์นะมนุษย์ยังไม่มีความเหมือนกันเลยถามว่าจะเหมือนกันได้ยังไงเท่าที่เรานั่งฟังธรรมเนี่ยถามว่าเข้าใจพอเท่ากันไหมล่ะในขณะที่ทำเนี่ยนะครับโสมนัตเวทนาเกิดเหมือนกันไหมนะครับอสังขาริกเหมือนกันไหมหรือว่าสสังขาริกนะครับปุพพเจตนาดีไม่อภรเจตนาดีไม่แล้วก็กําลังที่ฟังเนี่ยมีกุศลอกุศลอะไรมาแทรกบ้างอะไรบ้างนะครับ ว่าปัจจัยมันเยอะนะเมื่อต้นเหตุที่มันหลากหลายแบบนี้ผลที่ปรากฏออกมาก็ต้องหลากหลายตามสิ่งเหล่านั้นนั้นไปนะครับเมื่อผลที่หลากหลายอันนั้นก็เป็นปัจจัยให้ทําเหตุที่หลากหลายต่อไปอีกนะครับอันนั้นนะแต่ว่าพูดในชั้นสูงสุดแล้วะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรเลยไม่มีนิจจาศาระอยู่ในนี้เลยนะครับ ไม่มีสุขสาระหมายว่าความที่สิ่งใดไม่เที่ยงอันนั้นก็เป็นทุกข์อยู่แล้วนะครับสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์นั่นแหละไม่มีนิจจสาระไม่มีสุขสาระแล้วก็ไม่มีอัตตาสาระเหล่านั้นเลย เ, เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงถึงการเรื่องของทานและผลของทานเป็นต้นเนี่ยนะหมายว่าเพื่อให้อยู่อย่างสบายในสังสารวัตรแต่พระองค์ก็ตรัสไว้เสมอว่าสังสารวัตไม่มีความปลอดภัยเลยนะครับ นะว่าสามสังสารวัฏคืออะไรครับก็คือขันธ์ธาตุอายต น, นะเชื่อไหมครับว่าถ้ามิจฉาทิฏฐิจะเกิดก็เพราะอาศัยขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้ mm. นี่แหละนะครับถ้าบา ป, ปรกรรมทั้งหลายที่จะพึงเกิดขึ้นก็อาศัยขันธ์นี่แหละครับจึงทําบาปกรรมนะครับเพราะฉะนั้นอ า, อาศัยขันธ์เนี่ยนะขันธ์ที่เป็นผลของบุญเกิดขึ้นเชื่อไหมครับว่าขันธ์ที่เป็นผลของบุญเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดโลภามากนะครับขันธ์ที่เป็นผลของบุญบางอย่างก็เป็นปัจจัยให้เกิดโทสะอย่างง่ายได้ ขันที่เป็นบุญบางอย่างก็เป็นปัจจัยให้อวิชาเนี่ยครอบงำย่ำยีจิตนะครับเพราะฉะนั้นที่พระ อ, องค์ตรัสว่ามนุษย์เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยผลของบุญแล้วเนี่ยนะที่จะกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยน้อยโดยมากไปส่วบายทุคติวินิบาตนารกเนี่ยมากกว่าหรือแม้กระทั่งขันที่เป็นเทวดาเนี่ยเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลของบุญเมื่อเป็นเทวดาดำงรงเสวยผลบุญอยู่ในภพของเทวดาอยู่ระยะหนึ่งนะครับตามสมควรแก่เหตุ เมื่อบุญเหล่านั้นหมดปัจจัยกลับมาสู่ความเป็นเทวดาเนี่ยน้อยหรือว่าจะมาสู่เป็นมนุษย์ก็ น, น้อยโดยมากไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนารกมากกว่านะครับดังนั้นเพราะอาศัยขันที่วิขันที่ดีๆเนี่ยนะครับเคยคิดไหมว่าจะน้อมเอาขันเหล่านั้นนั้นมาเจริญวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยน้อยมาเอาถ้าเราเป็นคนมีสุขภาพดีเป็นคนวิ่งเร็วที่สุดเป็นตัวนายยกตัวอย่างถามว่าเราจะมาเดินจงกรมหรือว่าจะไปวิ่งเป็นนักกีฬาโอลิมปิกครับ จะเอาไปทําอะไรใช่ไหมครับถ้าเราเป็นคนมีสติปัญญาหูฉเฉลียวฉลาดอยากจะมาทรงพระไตรปิฎกหรือว่าอยากจะประสบความสําเร็จแบบโลกโลกครับเราก็มาไขาควงดูนะครับเพราะฉะนั้นน้อมเอาขันเหล่านี้ไปเจริญบุญหายากนะครับถ้าเรามีทรัพย์มากๆเราเอาน้อมเอาทรัพย์ของเราไปเพื่อให้ทานหรือว่าน้อมเอาทรัพย์ไปเพื่อเสเวย ให้สนองกิเลสครับเราก็คิดดูนะอาศัยทรัพย์เหล่านั้นเพื่อที่จะประรบเป็นไปกระทานศีลภาวนาหรือจะไปส่งเสริมโลภะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นโทษภัยของขันธ์ทั้งหลายเนี่ยมีมากจริงๆเพราะฉะนั้นคําว่ามารเป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นชื่อของขันธ์ทั้งหลายนั่นเองนะครับนะแต่ทีนี้ในชั้นต้นเนี่ยกรร ม, มสกตากรรมและผลของกรรมเนี่ยต้องดีจริงก่อนในชั้นสูงจึงประกาศอริยสัจนะครับแต่ไม่ใช่ว่าโห บุญก็ยังไม่ทําเลยไม่เที่ยงก่อนเข้าว่าเนี่ยนะครับบุญก็เลยไม่เป็นอันธรำเลยก็ไม่ทราบซึ้งในกรรมและผลของกรรมอะไรอะไรไม่เที่ยงก็เลยฉลาดเท่าเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ตรัสวิปัสสนาที่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นแก่ผู้ไม่มีสัมมาทิฏฐิเด็ดขาดนะครับนะแล้วอย่างในสูตรนี้นะครับถ้าหากว่าสัตว์รู้กรรมและผลของกรรมเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรู้เนี่ยนะครับ ถ้ารู้ผลแห่งการจำแนกทานอย่างนี้แล้วนะถ้าหากว่าไม่ได้ให้ก่อนก็จักไม่บริโภคนะครับบทว่าเอวันเจสัตตาชาเนยุงความว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานอย่างนั้นดังนี้อธิบายว่าเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วโดยพยานคือทรงทราบทางจิตนะครับคือพระงค์เนี่ยมีพระปัญญาเนี่ยนะโดยเฉพาะสัพพัญญุตญาณที่มองเห็นอย่างตลอดสาย บทว่าวิปากังสังวิพาคภาษ า, าได้แก่ผลแห่งการจำแนกก็จะพึงพูดถึงทานอย่างไรเล่านะครับบทว่ายะถาโหติมหพลังควรผูกเป็นใจความว่าถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้พึงรู้โดยวิธีที่ผล น, นั้นเป็นผลใหญ่ใสบทว่าวิเนยะมัชเชรมลังความว่าสัตว์ทั้งหลายพึงกําจัดความตนีอันเป็นมลทินมีจิตผ่องใสโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยความเชื่อกรำและผลของกรรมนะครับกรรมมศกตาศรัทธาเนี่ยนะและด้วยความเชื่อในคุณของพระตนะไตรพึงให้ทานที่ให้แล้วแม้น้อยก็มีผลมากในพระอริยบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีสีลเป็นต้นเพราะเป็นผู้ไกลาจากกิเลสทั้งหลายตามกาละอันควรนะครับนี่ถ้าหากว่ารู้ผลอย่างที่พระองค์รู้ใช่ไหมครับ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีศรัทธาในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบแล้วก็กรรมมศกตาตัวเองเนี่ยนะครับทารู้ว่าโอ้โหนี่ที่กรรมที่ให้นะเจตนาที่ทำเนี่ยนะมีผลอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ทราบซึ้งในคุณของพระตัตนตรัยก็จับสละไตรยธรรมที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยนะครับวัตถุที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยนะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นต้นในทักษินายะบุคคลทั้งหลายนะครับ ถ้ารู้นะถ้ารู้ถ้ารู้ <Okay. S 1> ท่านผู้ควรแก่ผู้ทักชินาทานเพราะทําให้มีผลมากชื่อว่าทักขินยบุคคลคือเป็นผู้ปฏิบัติชอบนะครับงั้นเขาจะให้ก็ไม่ใช่ว่าโอหเห็นใครก็ปโปรยให้ไปหมดเลยนะครับไม่ใช่แบบนั้นคือบางแห่งเนี่ยอธิบายในลักษณะว่าพระพุทธเจ้าสรรเสริญการเลือกให้นะครับ mm. ไม่ใช่ให้ดะแต่ถ้าให้แล้วใครจะไปตำหนิอะไร พราะให้ในศาสต์เดรัชันยังมีผลเป็นร้อยอัตภาพเลยนะครับจะกล่าวไปยัยถึงให้กับคนทั่วๆไปนะแต่ว่าพระองค์จะสรรเสริญในการเลือกให้นะครับแต่ว่าไม่ปฏิเสธในการให้ให้ที่ไหนก็ให้เธอเนี่ยนะอย่างที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลถามว่าทานเนี่ควรให้ที่ไหนชอบใจที่ไหนควรให้ที่นั่นแหละแต่ถ้าหากว่าให้เพื่อหวังผลเนี่ยนะต้องเลือกให้เพราะงั้นเดี๋ทานที่เลือกให้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ ให้ขอโอกาสนะเรื่องผลของการทำทานเนี่ยถ้าว่าให้กับสัตว์เดยชานกับให้กับพระอริยเจ้าเนี่ยถ้าเราไม่มุ่งหวังเพื่อที่จะได้อา น, นิสงส์ตอบมาเป็นวัตถุนะแต่เราให้เพื่อำชำระจิตใจของเราให้ปองสใยหรือว่าให้หมดกิเลสเนี่ยด้วยอา น, นิสงส์ของทานเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไหมระหว่างให้พระอริยเจ้ากับให้สัตว์เดชานให้ปุ้ดุจชนให้อะไรทั่วๆไป ครับเอางี้นะครับผมอยากถามว่าถ้าหากว่าท่านเลี้ยงพระที่ท่านเลื่อมใสกับท่านเลี้ยงข้าวแมวก็แล้วกันอ่ะเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะครับท่านจะปลื้มใจเพราะให้ข้าวแม่รู้รให้เพราะข้าวข้าวกับพระที่ท่านเลื่อมใสครับให้ข้าวกับพระครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ให้แล้วเป็นไปเพื่ออปราปรภิยะเจตนาที่ดีก็ควรที่จะเลือกทาในลักษณะนั้นนะครับ แต่ถ้าหากว่าชำระจิตได้แหมอัปปมัญญาเละเกินเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหานะครับควรให้หมดนะถ้าชำระจิตได้ขนาดนั้น น, นนะแหมไม่นึกเสียดายเลยใครก็พอกันหมดอนะ่ะควรกก้การได้หมดแหละถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่เชื่อไหมครับว่าพระอริยบุคคลก็ยิ่งจะเลือกให้นะครับพระที่เป็นพระอริยะบุคคลนะเพราะเขาจะให้เพื่อความปีติและปรามโมทย์ถ้าไปให้กับคนไม่ดีเขาจะไปปีติปรามโมทย์ได้ยังไง อย่างเหมือนนางวิสาขาเนี่ยนะครับนางวิสาขาเนี่ยที่ตั้งอาคารตุกะพัดเป็นต้นเนี่ยหรือขมิกรพัตอาคารตุกะพัตเนี่ยที่ท่านให้ก็เพราะว่าลองฟังดูว่าถ้าพระพิสูรรูปนั้นนะถ้าเคยมาเมืองสาวัตถีแสดงว่าเคยบริโภคอาหารของนางถ้าหากว่าองค์นั้นเนี่ยพระองค์พยากรณ์ว่าเป็นท่าระยะแสดงว่าเคยฉันของนางนางก็จะปีติปราโมทนะครับเป็นลักษณะนั้นนะครับใน ในอัตขกณฑ์ที่บาหรือไงที่จําที่แสดงถึงทานแปดประการนี่ยบรรดาทานที่มีผลน้อยที่สุดคือทายกหน้าหวังผละจึงให้ฟังหวังผลและจึงให้ทานอย่างนี้ใช่ปะ อ, อ๋อตรงนั้นเนี่ยนะครับ ไ, ไม่ใช่ไม่ใช่หวังผลนะรตรงนั้นเขาแปลไม่ถูกนะในในในสูตรนั้นนะเขาะว่า ห, หมายถึงมีผู้มาถึงแล้วกว็ให้อ่นะปกติไม่คิดจะให้หรอก อาสาช่นะบาลีว่าอาสาช่าหมายความว่ามีผู้มาประจวบเหมาะอะนะแล้วค่อยให้อ่นะปกติไม่คิดจะให้เลยอะไรจะขนาดนั้นครับผมไปดูในอัธกถาในอัธกัดนิบาศครับข้อที่หนึ่งเนี่ยแปลผิดจริงๆรนะครับตรงนั้นเนี่ยแปลผิดนะครับทําไมครับเคยไปเทศหรือเปล่าก็ตรงกันข้ามครับก็ตรงเลยเรื่องแต่ทีนี้ว่าเอโทษของเราเอง ข้อแรกเนยหมายถึงว่าถ้ามีผู้มาถึงนะครับแล้วก็ให้ไปนะหมายความว่าคือถ้าไม่เห็นก็ไม่คิดจะให้อะไรแต่พอมีใครมาแล้วค่อยคิดให้ทีหลังอนะกันนะเ<ม>ช่นว่าปกติไม่เคยคิดจะให้ทานอะไรเลยไม่เคยตะเตรียมอะไรเลยเห็นพระมายืนหน้าบ้านอ่ะให้สันหน่อยอะไรแค่ให้แบบนี้นะครับ ม, มันจากอาศัตริอะไรเป็นต้นน<ม>้ต่อไปนะครับ<ม>ให้ทักษิณาคือทายธรรมนะครับ ให้ทักษิณาคือทายธรรมที่ผู้ให้เชื่อโลกหน้าในทักษินยะบุคคลเหล่านั้นโดยที่ทานนั้นนะครับเป็นทานใหญ่คําว่าทานที่ให้ด้วยศรัทธาคือเชื่อโลกหน้านะครับให้ทายทานอนั้นเพราะตัวเองเชื่อโลกหน้าให้ในทักษินยะบุคคลผู้ปฏิบัติชอบนะครับอีกอย่างหนึ่งถามว่าควรจะให้ทานอย่างไรต่อว่าควรจะให้ทักษิณาทานในทักษินยะบุคคลอันหนึ่ง ผู้ให้จุติจากความเป็นมนุษย์นี้แล้วย่อมไปสู่สวรรค์ด้วยการปฏิสนธิบทว่ากามะกามิโ น, โนความว่าทายกผู้ใคร่กามคือมีความพร้อมในกามทุกอย่างเพราะเป็นผู้ทำความดีโดยได้รับกรรมอันเป็นสมบัติแห่งเทพสมบัติอันโอฬานที่ควรใคร่ ย, ย่อมบันเทิงคือได้รับความบำรุงบำเรอตามชอบใจนะครับถ้ามีบุญนะ ถ้าสมมติว่ามีบุญเนี่ยเทศกาลผลไม้จะกินผลไม้อะไรล่ะนะครับขนาดว่าไม่ใช่เทศกาลยังหาผลไม้นั้นๆกินได้นะถ้ามีบุญนะครับอันจะลักษณะนั้นคนไม่มีบุญเนี่ยนะครับเดินผ่านตลาดก็นึกอยากให้ใช้นะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ชิมนะครับบางคนก็ได้กินบ้างก็ต่อเมื่อผลไม้นั้นๆเป็นต้นเน่าแล้วนะครับบุญเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับออผมมาพิจารณาดูนึกถึงว่า คนที่ถ้าเลือกให้ทานกับพระอริยะเจ้าหรือผู้ที่มีทรงคุณเนี่ยแสดงถึงว่ามีความเมตตาต่อตอนเองในนี้แต่ถ้า ห, หากให้กับผู้อื่นที่โดยไม่เลือกว่าจะเป็นทักขินา ย, ยาบุคคลนี่ก็แสดงว่าเมตตาต่อผู้ที่รับคือตามหลักนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเอาพระอริยบุคคลเป็นมาตรฐานะนะะเหมือนอย่างนางวิสาขานาฐบินทิกะเศรษฐีนะครับ เขาก็จะนิมนต์คนที่ที่คู่ควรแก่การให้มารับนะครับไม่ได้ว่าให้ดะอะไรไปหมดก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับแต่หากว่าให้ดะหรือให้กับคนทูตศีลก็เท่ากับเลี้ยงคนทูตศีลไว้เต็มวัดเต็มวาไปหมดนะครับเพราะถ้าเป็นแบบนั้นไปใช่ไหมครับให้ไปให้มาก็เท่ากับว่าโหเลี้ยงโจรไปเลยก็ดีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรคู่ควรอะไรไม่คู่ควรเพราะฉะนั้นการให้ที่ถูกต้องนะครับก็ควรศึกษาว่าคุณธรรมของผู้รับนะครับ เอเราเราอ่านในชาดกก็พระโพธิสัตว์นี่ท่านจะให้แบบใครปรารถนายังไงมาเนี่ยอะไรมาท่านก็จะให้ตามความปรารถนาของคนค น, น, นั้นเลยอย่างนี้ไม่ใช่เลยครับอ๋อนนั้นเขาให้เพื่อโพธิญาณ น, นะครับของเราตั้งอยากอยากได้โพธิญาณไหมละครับจะได้ชำระผมยังได้ขอมั่งขอให้บวชตลอดชีวิตนะครับ <c oughs> นะครับ คือถ้าหากว่าเรานั่นคือพูดถึงพระโพธิสัตว์ที่ว่าท่านท่านตั้งความปรารถนาเพื่อโพธิญาณแต่ถ้าเชื่อไหมครับว่าในเวลามาสูตรเนี่ยบอกว่าเลยว่าถึงให้เท่ากับเวลามาพามให้มหาศาลขนาดนั้นนะทานของเวลามาพามก็สู้ว่าให้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปติผลไม่ได้ถึงจะใจใหญ่เหมือนกับเวลามาพามขนาดนั้นนะผลของการให้นะสู้กับผู้ที่ให้แกถ้กขนญาณบุคคลไม่ได้นะครับ นะของเราก็จะนึกว่าโ อ, อ้เออเออฟื้อเผื่อแผ่แล้วผลจะได้เยอะๆจริงไม่ใช่เพราะฉะนั้นการทำนาเนี่ยนะครับถ้าท่านเอาข้าวสักพันเล่มเกวียนไปหวานข้าวไปหวานที่ประเทศซาอุนะครับในที่มันแห้งแล้งนะครับบางทีอาจจะมีบางแห่งที่มันมีน้ำดีอะไรดีก็อาจจะให้ผลบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันน้อยเกินไปแต่ถ้าไปหวานในเนื้อนาที่ดีนี่นะครับผลก็แตกต่างกันนะครับผลก็แตกต่างกันจริงๆ แม้กระทั่งให้แล้วเนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งแห่งปีติปราโมทเนี่ยนะเทียบดูว่าระหว่างให้กับคนมีกิเลสทั่วๆไปกับให้กับพระอริยะบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะครับเราจะปลื้มใจเมื่อให้ใครเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องดูเพราะว่าบุญทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เจตนาสามเป็นเป็นหลักใช่ไหมครับบุญนั้นจะมีผลมากหรือนิสงมากก็เนื่องจากคุณธรรมของผู้รับนะครับเนี่ยนะเหมือนกับว่าเราปลูกข้าวเนี่ยนะถ้าหากว่าปลูกในที่แห้งแล้งผลก็ย่อมได้น้อยตามสมควรนะครับ ตามสมควรแก่สถานที่ปลูกการให้ทานก็เหมือนกันอ่า <drafting. S 1> หรือว่าเราเรมีเยอะแล้วก็โหตั้งไว้เหมือนก๊อกน้ําข้างถนนก็เอาเหอะนะครับถ้ามีขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรแต่นี่เมื่อพูดถึงว่าทยทานที่มันมีจํากัดนะครับก็ควรที่จะเลือกให้นะครับแต่หาว่ามีบุญขนาดนั้นก็นะครับเข้ากองคลังพระหลวงเลยนะครับกองคลังหลวงไปเลยนะครับจะได้ทั่วทั่วไป